เนี่ยเจะพูดธรรมะธรรมะอะไรสัมพันธ์แล้วกันมันก็พูดไม่ได้กองอ่ะอด้านเลี้ยวทางด้นที่จะเทสอนพระไม่สะดวกเนวนี้มันไมไ่เหมือนแต่ก่อนไปที่ไหนประชาชนออกหน้าออกหน้าท่าเลยไม่ได้เรื่องจะเทศสอนพระมันต้องกามันก็ข่คล้องธรรมะไม่เหมือนกันนี่มันก็ไม่ได้เรื่องแล้ว เราคือด เ, เด็ดเทสองขาดูานนเรพาะไม่ได้เลืองเราคือเข้ามาทางนี้เป็นอะไรผ้าเรามาทางนี้มันเป็นอะไรเราเนี่ยมาทางนี้ทางนี้เป็นอะไรเนี่ยเออถ้าเห็นไปนอยู่ทางโน้นไม่อยู่ทางนี้ ม, นมัเป็นอะไรไปทางโน้นแน่ทางนี้ไม่มีเนี่ อยู่กระจกกระจายไปยังไงนี่ควนที่จะมีไม่มีกล้องนะกล้องแก่งอะไรฟาดกระป่านุ่นมาไปดูว่าจะกอะไรกับพระสงฆ์วะเอาเข้ามาด้วยกล้องแก่งมาเป็นใหญ่ได้เหรออย่างนั้นจะทำทุดอย่าง น, นั้นเนี่ยจอประเทศสอนคนเท่านั้นเนี่ย เออเดี๋ยวนี้มันไม่เอาไหนแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่เอาไหนแล้วสัญญาความจดความจาเลอะเะเถอะเอไปหมดมันไม่ได้เหมือนความจริงนะความจริงเข้าถึงจิตแล้วไม่มีเลอะความจานี้เลอะเะเถอะเอไปอย่างนั้นเอาาทั้งหมดมอเสี อืมง่มม า, ก, ก, ก, า, าก็มันไมาใช่ง่อยคือง่ายคืออะไไม่ไหวนะผวผมอกว่าห้าสบห้าสิบคือพมันมันพอดีกัหา้าสิถ้ามากกว่านั้นไปมันถี่เกินไปการประกอบความเาียังไม่สะดวกภาคกลางก็คือสอง วันนี้ก็กระดิ่งกันมากนะแล้ววันพุธนี้เราไฟก็มาขังเราจะมากวั น, นุนะี้วันนี้ตอนบ่ายเขาก็ไปก็ตื้อคืเขาก็ไปกไป็แต่เขาจะซอมอยูม่มนซอกมานซ่อมไปไปเขาอาไปแล้วขอด้วยไปแล้วร า, าก่อวันพุธนี้ขอด้วย <c oughs> พักเครื่องก็่อยก่อนด้วยเฮียอาก็จะขับสี่อก็เลยเปื่อๆมันชนภูเขารถแตกจะว่าไงอ่ะมันต้องพักเครื่องก่อนไม่ง้อเต็มหมดเลยง้ออ่างป้องเยอะ เราจะไป้พาเราจะขยายมามาทางนี้บ้างก็ได้ฟังก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอย่างนี้จะยิงทั่วถึงหมดอ่ะว่ามันมีไม่อะไรมีไม้ก็มีสมัยที่มาถึงนี่มันก็มีไมยย้นะทั้ะเริ้อแ้วแท้พาก็จะยิงหมดอัะ ก็อาจเพิไปตั้งแต่ปีศูนรอศูย์สีงห้าเออน่ยเริ่มอาจเพิไปศูแคมันมีมาอย่างศูย์อ่ะแตมาก็อาจจะเยอะจะกองไม่ไม่มีเราก็ดูจังวันเรื่งก็9็ปลายปเือบา9ุ500้ใน พรรษายี่ปอ่ะเรียกว่าว่าเราวนี้อยู่มันจะห้าสิปีมั้งฮะต่างว่าปี่สี่้แปดมันถึงห้าปีหรือยังฮะห้าสิบปีนี้อปืเก้าห้าแล้วก็8 500, ปีตคือแปตัป้งแต่พรรษาแล้วใช่ไหม คื S <s <ans> อคือสิบแปะก็ได้ภาษาแล้วใช่ไหมมันก็ห้าสิบปีห้าห้าสิบปีอยู่ที่ป่ า, า ก, ก็มากเนาะก็ก่อนมันกึ่งญ้าอะไรเขาเยก้่า่า เ, เป็นธมากันพุ่มไม่ก็ม้ก็รอกพวาอยู่ฝ่ฝนี้ก็อยู่ฝ่าย้วาบอยู่ฝ่านั้นก็อยู่ว่ามันข้ามม า, ากันไม่ได้นงะแล้วมันกึ่งย่ามาแล้วมันก็ครัวคนอยู่จก่อ เรือ่องนี้มันเป่งป่าไปหมดแก้วปกตบเคยอยู่ในสบาเนือห้าจุดปพวกมาออ้าสูงกันงแห้าจไดปแต่ก่อนมันเป็นมันเป็นไรเก่าเขาพ อ, อมาสร้างวัดมแล้วก็ไม่ยากทำได้เรียกว่าห้าจดปีส้มม้ากว <c oughs> มาสรางวัดเพื่แล้ว ม, มันก็มามีใหญ่เข้ามาไงวะมาก็มาเจอกุฏิพระแล้วหยกไปไปงั้นไปเจอกุฏิพระไปหลบไปเลยจนกระทั่งเลยพระไปถึงไปได้มีใหญ่ก <c oughs> เสือมันก็เข้ามาถึงยอยมผ่านไปผ่านมาเสือมาสร้างวัดคพื่อ พวกเก่งพวกหมูยังมีอยู่เยอะไงกลางว่าเพราะโด่งนั่นกางโด่งนี่มันต่อกันอยู่ต่องั่นเขายังไม่ทําลายป่าคือ พ, พอจากนั่งแล้วก็ทําลายป่าพวกสัตว์ทเคย อ, อยู่ที่นี่ก็ก็เป็นน้ำว่าอยู่ที่คือเขาทําลายป่าสัตว์ก็ตายไปกระป่าไปเลยก็ก่อนมีสอยออกอยู่สามตัวมั้งไข่ป่าไม่ทังมันฝง่นอันนี้ฝุ่นอย่าง มันไปตีสันเลยนะตีเขียงขังนุ่งขังนุ่งก็ไปตีอ่าขังนุ่งขังนุ่งขังกัไปยกขัวไปตีอะเงี้ยแล้ทั้งต่อมาต่อมาคือมันไก่มากเขามากเขาทั้งไก่ป่าทั้งไก่บ้านออกั้งมาเลยกลายเป็นไก่บ้าไปหมดต้องวัดเป็นไก่บ้าแล้วเนี่ยเขามาปล่อยข้างหน้าไว้ก่อนมาผสมก่อนอย่งเงยเป็นไก่บ้าไปหมดเออไม่รู้จักขัวผู้ขัวคน แสดนว่าเลยพ้วนเปพี้ยนอยู่กับคนพ้วนเปพี้ยนเลยไม่รู้จะ ก, กลัวกระรอกธรรม ด, ดามันจะขึ้นไปชุงสูงไปตามต้นไม้นะกระแตจึงวิ่งตามดินเดี๋ยวนี้กระรอกมันวิ่งตามดินธรรม ด, ดาเมันอยากไปไหนไม่กลับไปของมันพรามันไม่กลัวอืม กำลังจะหกโมงยังไม่ถึงหกโมงวันนี้เพียทั้งวันไม่ทราบเป็นยังไงนะเพียทั้งวันเลยวันนี้ฮักกลางบันกับพงหยิบไปนิดเดียวจากนั้นมาก็ก็ไ ม, ไม่ไม่มีอีกไม่ไม่หลับอีกแล้วตลอดทั้งวันเลย การเทศเทศสอนพระเป็นประเภทหนึ่งเทศสอนโยมเป็นประเภทหนึ่งไม่ได้ครา้าเข้ากันปกติของวัดป่ากรรมฐานสอนพระเป็นธรรมะของพระรุ่นล้วนก็นไม่มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้มาทุกวันนี้เลยครา้าเข้ากันไปหมดไม่ทราบว่าจะเทศยังไงต่อยังไอยอยงไ มันต้องเตรียมไว้ทั้งแขนซ้ายแขนขวาถึงจะได้แขนซ้ายตีพระแขนขวาตีโยมไปงั้นทีนี้ตีทั้งสองแขนมันก็ไม่ถนัดท่านถ้ายิงเอาสองมือเอาสองกำปั้นซัยกันนี่มันก็นเลยไม่เป็นท่าเลยมันเป็นอย่างนั้นแนะ่ะเดี๋ยวนี้นะการเทศ <c oughs> จะให้ถึงเหตุถึงผลเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แต่ก่อนเทศอยู่ข้างบนเทศสอนพระล้วนๆธรรมะร้อยเเ็ หมุนติ้วเลยเจ้าไม่ได้อืดอาดละธรรมะแกงหม้อเล็กหม้อขีวไม่อืดอาดพุ่งพุ่งพุ่งเลยบางทีจนรัวไปเลยเหมือนเหมือนปืนกลมันเด็วมันติดเทพเรายังจำได้อยู่เวลาเทศธรรมะเร่งเต็มเหนี่ยวธรรมะยังไม่หมดลมหายใจหมดก่อนต้อง รีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวติดเทป <c oughs> นั่นแหละเทศธรรมะขั้นสูงเป็นอย่างนั้นท่านเราการปฏิบัติจิตภาวนาไม่ว่าใครก็ตามนะเรื่องสติเป็นสำคัญมากท่านทั้งไหนอย่าลดอย่าละสตินะเช่นอย่างโอท า, ารานี่เป็นเครื่องสนับสนุนสนุนสติได้เป็นอย่างดี และอย่างอื่นก็พอดีไปด้วยสำหรับผู้ที่ถูกในการอดอาหารผ่อนอาหารดีทางสติเราอดไปหลายวันเท่าไรสติติดแนบเลยไม่เผลอตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งค่ำไม่เผลอเลยนี่เวลาเรามาฉันเขาไปมันก็มีผิผิดพลาดพลาดลงบ้างถ้าฉันไปนานมันก็มีเผลอได้เผลอได้เป็นอย่างนั้นนะ แ ต, แตไม่ฉันมันก็ไม่ได้มันก็จะตายจะให้ว่าไงก็ต้องมีหนักมีเบาบ้างเป็นธรมรมดาแต่อย่างไรการผ่อนการอุท า, ารนี่เป็นของดีสำหรับจิตตภาวนาสตินี่เป็นที่หนึ่งขึ้นเลยการภาวนาต้องขึ้นอยู่กับสติไม่ขึ้นอยู่กับอะไรก่อนอื่นสติต้องสำคัญให้ติดแนบอยู่กับ ก, บการภาวนาของตนผู้ที่เริ่รรม ในการภาวนายังไม่เมียอะไรเป็นที่เกาะที่ยึดก็ให้นําคําบุริกรรมเข้ามาเกาะมายึดเช่นพุโทโธหรือธรมโมหรือสังโฆนี้อนาปานาสติอารมณ์ใดก็ตามตามแต่แตลิตนิสัยชอบในคําบุริกรรมในอารมณ์นั้นก็ให้นําเข้ามาบุิกรรม <c oughs> แล้วมีสติติดแนบเหมือนกันหมดสติ ด, ดีเท่าไหร่เท่าไหร่กิเลสจะไม่เกิด กิเลสมันจะเกิดทางสังขารคือความชิดความปรุงสังขานี้ออกมาจากอวิชานั่นคืออวิชานี้เป็นแหล่งใหญ่ของกิเลสทั้งหลายมันผลักมันดันออกมาให้เกิดทางมาแรกก็เกิดทางสังขารความชิดปรุงแผบแ บ, แบออกไปนั่นแหะกิเลสได้ออกทำงานแล้วแล้วก็กวานเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเผาเราเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นของสาคัญ ถ้าสติดีเท่าไรความชิดปรุงนี้จะปรุงขึ้นมาไม่ได้เหมือนว่ามีช่องเดียวช่องที่สังขารมันปรุงออกมาเป็นฝ่ายสมุทัยคือกิเลสนี่เอาธรรมะเข้าไปเป็นงานของธรรมเช่นเช่นคำบุรีกรรมนะจะเป็นพุโทโธพุโทโธก็ตามให้สติติดอยู่กับพุโทโธไม่ต้องเสียดายความชิดความปรุงอะไรทั้งนั้น เพราะคิดปรุงมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรนี่เราคิดปรุงทางอัตธรรมเช่นคำว่าพุโทโธพุธโทโธเป็นความคิดเหมือนกันกับความคิดของกิเลสแต่ความคิดทางธรรมนี้เป็นเป็นน้ำดับไฟเรียกว่าเป็นธรรมความคิดทางนี้เป็นธรรมความคิดของกิเลสเป็นกิเลสเรื่อยๆไปการอดอาหารดีทางสติ อดอดไปหลายวันเท่าไรสติยิ่งติดแนบติดแนบจนกระทั่งตื่นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาถึงหลับไม่เคยเผลอเลยนี่นี่แหละแต่ตอนนี้มันเราอดไปหลายวันเท่าไรสติมันยิ่งดีแต่ร่างกายเป็นสังขารของเรานี่มันอ่อนลงอ่อนลงที่แรกก็หิวโหวยการอดอาหารหิวโหวยพอล่วงสองสามวันไปแล้วความหิว เบาลงเบาลงสุดท้ายเลยไม่หิวเป็นแต่ความเพลียเ น, นี่ยมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละความอ่อนความเพลียของร่างกายมากขึ้นมากขึ้นแต่สตินี้ดีตลอดเลยแต่มันก็ทนไม่ได้ที่เราจะอดไปตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะชาติขันเขาก็ต้องการอาหารของเขาเครื่องบำรุงเราก็จะต้องบำรุงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติตนให้สังเกตตัวเอง สักจะว่าทำไปเฉยไม่สังเกตไม่ได้นะต้องต้องใช้ความสังเกตเพระัสตินี่เป็นที่หนึ่งเลยละสติไม่เว้นตั้งแต่พื้นพื้นของการบำเพ็ญใช้สติบังคับคํำบุิกรม ร, กรมคําบุิกรรมให้ติดกับใจให้คาว่าพุทโธก็ให้พุทโธกับความรู้แล้วก็มีสติกํากับไม่เผลอไปไหนไม่เสียดายความคิดความปรุงซึ่งเราเคยคิดมามากแล้ว ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสมาเผาเราทั้งนั้นทีนี่ความคิดของธรรมเป็นน้ํารับไฟไม่ได้เผาเราเวลาเราวิกรรมหนักเข้าหนักเข้าด้วยสติไม่เผออนะี่ความคิดความปรุงที่มันดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงมันจะอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปที่แรกเหมือนอกจะแตกนะมันเคยคิดเคยปรุงแล้วหักกันอย่างแรงแรงเช่นไม่สติเผอนี่เท่ากับหักกันอย่างแรง มันอยากคิดมากเท่าไหร่มันเหนือสติไปไม่ได้ถ้าลงตั้งสติให้ดีแล้วความคิดความปรุงนั้นจะเกิดไม่ได้เมื่อความคิดเกิดไม่ได้กิเลสก็ออกมาได้กิเลสออกมาได้มันก็ไม่เอากว้านเอาฟืนเอาไฟมาเผาเรากิเลสหาประโยชน์ของมันแต่มันกลับมาเป็นโทษต่อเราผู้ปล่อยให้จิตใจคิดมากๆนั่นเพราะฉะนั้นการภาวนาจึง เป็นเครื่องหลั ง, งับดับความชิดความปรุงทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนักปฏิบัติเราขอให้จําให้ดีการสอนเหล่านี้ผมสอนด้วยความแม่นยําไม่มีผิดมีพลาดเพราะได้ได้ผ่านมาหมดแล้วด้วยความพินิษพิจารณาสังเกตสังกาบวกโลกปูนหานมาในการปฏิบัติของตัวเองจนได้ผลเป็นที่พอใจโดยลําดับลําดับนั่นแหละเวลามาสอนหมู่เพื่อนจึงแน่ใจว่าไม่ผิดไม่ผิดเพราะ ทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูกมันผ่านกับเรามาแล้วเป็นครูสอนเราทั้งนั้นนะแล้วให้ตั้งนี่หมายถึงผูท้ที่เริ่มฝึกหัดภาวนาถ้าไปเพียงสตวนันนึกหรือเพ่งเพ่งความรู้เฉยเฉยไม่ได้นะมันเผลอได้ไม่สงสัยอันนี้เผลอได้ถ้าเอาคำบริกรรมติดไว้แล้วมีสติบังคับอยู่นั่นกีบไม่เผลอความคิดความปรุงก็ปรุงไม่ได้เนี่ยที่นี่เป็น เรื่องของงาะทำทํางานรวนรานกิเลสมาแทรกทํางานไม่ได้เพราะไม่มีทางปรุงกิเลสจะเกิดขึ้นจากทางสังขารเป็นสาคัญ ม, มันดันออกมานี้หนักมากอยู่นะแต่มันดันออกมาสติดีเท่าไหร่ก็บังคับไม่ได้ไม่ได้เพราะจะนั่นแต่ว่ากิเลสมันจะหนานแน่ขนาดไหนก็เถอะวางงันเลยถ้าลงสติดีแล้วกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสหักข้ามได้กิสตินี่หักข้าม ไม่ได้คลื่นของกิเลสมันจะเหมือนคลื่นหมหาสมุทรทะเลหลวงกว็าตามสตินี่ต้านทานได้อยู่ไม่สงสัยขอให้ตั้งสติให้ดีนักภาวน า, วนนาในเบื้องต้นเรามีคําบริกรรมอยู่กับคบําบริกรรมนี้ก่อนเมื่อจิตได้รับคบําบริกรรมอบรมบารุงส่งเสริมอยู่เสมอแล้วจะก้าวเข้าสู่ความสงบความสงบ เมื่อความสงบมีมากความรู้นี่จะเด่นตัวขึ้นมาภายในตัวของเราจนจิตเข้าสู่สมาธิความรู้นี่เด่นที่นี้เมื่อความรู้นี่เด่นก็คคำบุิกรรมก็ก็ไม่ค่อยจาเป็นไม่ค่อยจำเป็ น, ปนแต่จำเป็นอยู่กับจุดที่รู้คือคือสักคือจิตใจที่มีฐานอยู่นั่นน่ะเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วเอาสติจับไว้กับ ฐานที่เป็นสมาธินี่เป็นขั้นเป็นขั้นนะพอกิตเป็นสมาธิแล้วจะไม่บริกรรมมันฮักบอกอยู่ในตัวของมันคำว่าว่าบริกรรมไม่จำเป็นนะจับเอาตัวนี่เลยคือความรู้เด่นๆ น, นี่ให้รู้อยู่กับนั้นตลอดไปเลยไม่ให้เผลอแช่นเดียวกับเราวุ่กรรมนี่แหละให้ตั้งอย่างนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย <c oughs> อย่าเผลอเราจะทาการทางานนี่ฉันทูลขยายออก จากจุดที่ว่าคำบุญกรรมมานี่ก็ให้เป็นสัมปัจจัญญาสัมปัจจัญญายังอ่อนถ้าให้เป็นสติอยู่ตลอดเวลานั้นเหมาะสําหรับนักปฏิบัติเคลื่อนไหวไปมาทําข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดเช็ดถูนี่ความคำบุญกรรมนั้นไม่ไม่ปล่อยวางนี่ก็เรียกว่าทํางานทําทํางานตลอดเวลาสัมปัจจัญญานี่เป็นความรู้ตัวอยู่ตลอดนี่ขยายออกมาจากจุด แห่งคำมีกรรมนั้นแล้วก็ออกมารู้ตัวไม่ให้เผอไปข้างนอกท่านเรียกว่าสั ม, สมปัจจันไดความรู้ตัวอยู่เสมอแต่ให้เหมาะจริงๆให้มันเป็นสติอยู่กับคำมีกรรมนั้นแนหะเหมาะสมมากนะนี่แหละเมื่อเราทําไปอย่างนี้ไม่นานสําหรับพระเรานี่แน่ใจมาตั้งรากตั้งฐานได้จิตไม่เคยเป็นก็สงบก็สงบได้ถ้าสติควบคุมดีนะ ท่านเรียกว่าสมาาัตะคือความสงบใจในเบื้องต้นจากนั้นเมื่อสงบมากเข้ามากเข้าจิตก็เป็นสมาธิคือความแน่นหนามัน่นคงของใจขึ้นมาสติจะจับอยู่ในจุดความรู้ที่เด่นๆแห่งสมาธินั่นแหละไม่ปล่อยนี่เป็นขัน้นเป็นขัน้นทีนี้เวลาจิตมันสงบมากๆเขาความคิดความปรุงมันไม่อยากคิดนะแต่ก่อนอยากคิดอยากปรุง ถึงขนาดอกจะแตกไม่ได้คิดมันเหมือนว่าอยู่ไม่ได้แต่สติบังคับให้อยู่ได้มันจะอกจะแตกให้แตกไม่ยอมให้เผลอสติมันก็ออกไม่ได้ทีนี้ขั้นต่อมาความคิดความปรุงที่มันดันออกมามากๆมันค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสติกันแน่วแน่เข้าไปจิตมีความสงบเข้าไปสงบเข้าไปสงบเข้าไ ป, เ, าไปเมื่อสงบมากเข้าไปก็จิตก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธินี่จะ จะเปลี่ยนคำบริกรรมงดคำบริกรรมก็ได้หากเป็นความสนัดใจของตัวเองนะเราจะไปคาดไม่ได้นะให้เรารู้ตัวของเราเองทํามันสนิทกับการกําหนดผู้รู้คือจิตที่เป็นสมาธินี่มันเด่นดวงนะเด่นดวงสติจับอยู่ที่เด่นดวงของจิดนั่นแหละนี่แล้วก็เพ็นสติตลอดที่นี้ความคิดความปรุงเมื่อ จิตเข้าสู่สมาธิเป็นสมาธิแล้วนั้นมันไม่อยากคิดนะความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเมันดันออกมาจากก่อนนั้นอนะ่ะเบาลงเบาลงถึงขนาดไม่อยากคิดถ้าจิตเป็นสมาธิจริงๆเต็มภูมิสมาธิแล้วไม่อยากคิดอยากปรุง <c oughs> มันคิดแยบแยบออกมานีล่ลำคานเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาทั้งหลายจึงติดในสมาธิ คืออยู่ทั้งวันเอกกิตเอกธรรมเอกะกะตาลมมีอารมณ์วันเดียวอยู่กับความรู้นี่เท่านั้นไม่มีอะไรมาเจือปนอันเดียวว่าสมาธิแนบแน่นสมาธิเต็มภูมิอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ได้นั่งกี่ชั่วโมงก็เพลินอยู่กับความรู้อันเดียวอันเดียวที่เด่นอยู่เด่นอยู่นั่นคือความรู้ไม่รู้กับอะไร รู้อยู่กับตัวเองโดยเฉพาะท่านจึงเรียกว่าเอกกตาลมมีอารมณ์อันเดียวคือความรู้เอกจิตเอกธรรมก็มีอารมณ์อันเดียวนี่แหละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วมันจะไม่อยากคิดอยากปรุงนะอยู่ได้ทั้งวันไม่ว่าอยู่ที่ไหนอารมณ์นี้ไม่จิตไม่ปรุงรำคาญนี่แหละจิตที่ติดสมาธิได้ตรงนี้เองพอเมื่อมันเพลินอยู่ในสมาธิแล้วไม่อยากออกถ้าคิดออกทางด้านปัญญาก็ ก็เหมือนเราออกทํางานไม่อยากทํามีคนขี้เกียจจีค้านนอนขาขัดท้างอยู่นะไปอย่างนั้นเิยนะมีแต่นอนแต่นอนนอนอยู่กับสมาธิสงบแน่วแน ว, แนวไม่อยากทํางานการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นงานคือคิดคือปรุงทางด้านปัญญามันไม่อยากทําเนี่ฮออกเช่นนี้นะเมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วไม่ว่าขั้นใดให้ พยายามออกพิจารณาทางด้านปัญญาพอสมควรแล้วก็เข้าสู่สมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วเวลาออกปัญญาให้ออกเมื่อเด็ดเหนื่อยเมื่อลาภายในหัวอกผู้พิจารณาทางด้านปัญญามักจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อลา อ, อ, อ, อยู่ที่หัวอกนะแล้วให้ถอยจิตเข้ามาสู่สมาธิเรียกว่าพักงานนั่นให้ถอยเข้ามาสู่ความสงบสู่สมาธิเสีย แล้วไม่ต้องไปห่วงปัญญาเวลาเข้าสมาธิอย่าห่วงปัญญาทีนี้เวลาออกจากสมาธิแล้วก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาทำงานทางด้านปัญญาแล้วไม่ต้องมาห่วงสมาธิให้ทำงานต่างวารรกันนี่ถูกต้องเรียกว่าปัญญากาปัติปทาการปฏิบัติไม่ผิดถูกต้องถูกต้องให้ดําเนินอย่างนี้ตลอดไปเวลาจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรทางด้านปัญญา ใช้สังขารกันใช้สังขารก็เรียกกับเป็นงานมันชิดมันปรุงเกี่ยวกับเรื่องด้านปัญญาแก้ถอดถอนกิเลสเป็นเรื่องของปัญญาทํางานทั้งนั้นเวลาทําไปทําไปมันเหน็ดเหนื่อยภายในหัวใจผู้โกงกงก็คือว่าภายในหัวอกนี่แหละมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทีนี้แต่ปัญญาเวลามันเพลินแล้วมันไม่อยากพักนะมันอยากหมุนตัวไปเรื่อยนี่หักเข้ามาเมื่อรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้ว หรือมันอยากจะคิดทางด้านปัญญาทนายก็ตามให้ไม่ให้คิดให้เข้าสู่ความสงบคือสมาธิากักจิตเรียกว่าพักงานทางด้านปัญญาเสียให้อยู่ในสมาธิมีอารมณ์อันเดียวปัญญาขั้นใดภูมิใดจะแยบขายขนาดไหนตัดใช้หมดเวลานั้นให้เหลือแต่สมาธิคือความสงบใจอันเดียวอยู่เท่านั้นจงกระทั่งจิต มีความสงบเย็นไม่ทำงานการอะไรแล้วจิตจะเย็นนะเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้นามสบายอยู่นั่นแต่จิตที่เข้ามาพักสมาธินี่ส่วนมากต่อมากนะต้องบังคับเอาไว้ให้อยู่กับสมาธิไม่ชิดไม่ปรุงถึงเวลาแล้วค่อยปล่อยออกทางทางปัญญาในขณะที่เป็นสมาธิแม้จิตจะมีความเยือกเย็นเป็นสุง เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำก็ตามก็ต้องได้บังคับด้วยสตยิอยู่เสมอไม่ให้ออกให้อยู่กับสมาธินั่นจนกว่าสมาธิมีกําลังแล้วมันจะรู้ตัวเองรู้สึกกระปี้กระเป่าภายในใจมีกําลังภายในใจคึ ก, กคักคึกคักภายในใจทีนี้ปล่อยจากสมาธิปล่อยข้างด้านปัญญามันจะหมุนของมันไปเลยลทีนี้หมุนเรื่อยๆไม่ต้องห่วงสมาธิปัญญาคันนี้มันไม่ห่วงอยู่แล้วละ่ะ นอกจากเราเลยนล้งเอามาสู่สมาธิสันนิษนเองมันจะเพลินทางด้านปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาคืออะไรมาพุดทธ่เ้าสอนเบื้องต้นคืออะไร <c oughs> เจสาโลมานะขาทันตาตะโจนั่นฟังทนีนัเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่ อ, อไรนี่แหละทำที่เป็นเครื่องลรือภพหรือชาติหรือวตะสงสารหรือที่กรรมาฐานห้าในเบื้องต้นนี้แหละอืเกสาโลมาผมขนเล็บฝันหนัง พอไปถึงหนังนั้นมันหุ้มหอ่อร่างกายตัวนี้เป็นตัวพรางตาคนได้ดีเห็นตั้งแต่ผิวหนังบางๆนี่เลย ว, ว่าสวยว่า ง, งามว่ากเลยไปบด <c oughs> แล้วฟากจากนั้นเข้าไปอะไรมีแต่ความสโสโคกโสมมเต็มตัวทั้งเขาทั้งเหลา่านี่แปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้ดูเรื่องอสุภะอสุพังสดสวยงดงามมันมันหลอกต่างหากไม่มีอะไรงามแหละมีแต่ อันผิวหนังบา ง, บางๆ so น่ะมันห่อหลอกให้ทั้งเขาทั้งเหล่าโลกทั้งหลายจึงหลงกันเมื่อจะพิจารณาอันนี้ซ้ําๆซากๆแล้วเรื่องปัญญาจะคล่องตัวนะพิจารณาแง่ไหนแง่ไหนนี่จะเป็นดาบอันคมดาบอันคมฟันขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปเลยมีเอียกปัญญาคล่องตัวปัญญามีกําลังมันจะเพลินนะที่พอพิจารณาทางด้านปัญญาถืออสุภอสุพังนี่เป็น เป็นบทสําคัญเป็นฐานสาคัญแห่งการพริจารณาในเบื้องต้นจนกระทั่งพิจารณาร่างกายนี้มีความคล่องแคล่วแก้วกลาสามารถในตัวเองแล้วมองไปที่ไหนนี่มันจะมีแต่อจุภาพสุฟังเต็มตัวทั้งเขาทั้งเหล่าทั้งหญิงทั้งชายเวลาชานาญมากๆแล้วเราชํานาในการพริจารณาของเราอย่างไรบ้างในร่างกายของเราถ้ามันเด่นอยู่ตรงมีแต่ เหมี่ยนตั้งแต่เนื้อหนังออกหมดมันก็แดงโลกในตัวของเรามองดูคนอื่นก็แดงโลกที่พิจารณาเข้าไปถึงร่างกายถึงกองกระดูกไปมองที่ไหนก็เห็นตั้งแต่กองกระดูกทั้งเขาทั้งเราเอาดูเข้าไปจับทจไสูุิของเราไปยังไงของเขาไปยังไงมัน เ, เทียบกันได้สั์ได้ส่วนทุกแง่ทุ ก, งงทกมุมนี่เรียกว่าปัญญาให้พิจารณาซ้าๆสากๆจนกระทั่งมีความ ช, นชนานิชานาญ มันชำนาญเองเมื่อเราพิจารณาไม่ว่าส่วนใดก็ตามของร่างกายนะเมื่อเราพิจารณาแล้วมีความชานาญแล้วเช่นมองเห็นตัวของเราเห็นแต่กระดูกนี่มันก็เป็นกระดูกเต็มตัวมองไปไหนพวงเนื้อพวงหนังไม่เห็นนะมันจะเห็นตั้งแต่กระดูกโครงกระดูกเต็มตัวเต็มตัวมองเขามองเราแบบเดียวกัน นี่เอาให้ชำนี้ชำนาญเข้าไปโดยลําดับลําดา <c oughs> ส่วนจุดหมายปลายทางของอสุภัสสุพังจะยุติเงนี้ผมยังไม่อธิบายให้ท่านต่างหลายพิจารณาเพราะเคยอธิบายให้ฟังแล้วเอานี้ให้ให้ชำชองอันนี้อหละใช่ชำชองเมื่ออันนี้ช่ำชองแล้วมันก็อดพูดไม่ได้เหมือนกันนะมันพิจารณาเต็มเหนี่ยวของมันแล้วมันไปไหนแล้วนะเรื่องกองอสุภัสภสุพังนี้เอามาตั้งไว้ตรงหน้า เพ่งดูมันจะไปไหนมันกรหมวนเข้ามาสู่ใจสุดท้ายก็ใจนี่เองเป็นอสุภาอสุฟังภาพที่จะตั้งไปนั่นคือใจออกมาจากใจไปเป็นแต่ใจก็หลงเงาตัวเองเป็นอจูพ้าอย่างนั้นอสุฟังอย่างนี้นั่นเวลามันถึงความอิ่มพอของมันอจูพ้าจริงๆเป็นขึ้นจากใจหัวใจเป็นอสุภ้าเป็นสุภาพเซองพอพอรู้อันนี้ชัดเจนแล้วมันปล่อยอจุภายเป็นฟ้าภายนอกที่เราพิจารณาอยู่นั่น พออาไปสุดท้ายก็สิ่งเหล่านี้มาอยู่ที่ใจหมดนี่แหละมันจะหมดปัญหาทางการพิจารณาสุภาษุฟังถ้ามันหมุนเข้ามาสู่ใจแล้วเรื่องร่างกายนี้จะหมดปัญหาไปเลยอืนี่ให้เขากัเข้าใจเรื่องการพิจารณาสุภาษุฟังมันจะหมดปัญหาแล้วก็รู้การตัดสินใจตัวเองว่าเป็นขั้นใดที่ตั้หาตัวในสาคัญมันจะรู้ในตัวของเราเอง กิเลสตนาก็ค uh, ือการมตนาขึ hmm. ้นอยู่กับร่างกายร่างกายขึ้นอยู่กับสุภาษสุพังความสวยความงามแก้กันที่อสุภาษสุภังแก้กันตรงนี้ตกออกไปเข้าไปสู่ใจใจเป็นสุภะอสุพังสุภาษสุพังเสีงนี่มันก็ปล่อยเรื่องภายนอกอสุภาษสุพังสุภาษสุพังภายนอกปล่อยหมดมันก็มาเป็นอยู่ภายในเป็นสุภะอสุภาษอยู่ภายในแล้วมันก็กลืนกันเข้าไปในใจของตัวเองแล้ว พิจารณาให้ช่ำชองเมื่อมันเป็นจับจับรากฐานได้แล้วให้เอานั่นแหละตั้งรล้วไว้เสมอเมื่อตั้งไว้นั่นแล้วมันจะหมุนเข้ามาสู่ใจหมุนเร็วเข้าเร็วเข้าจนกระทั่งพิจารณาเรื่องสุภาษะอสุภะสุภางอสุภสังไม่ทันเนี่ยทีนี่หมดแล้วนะเรื่องอสาสุภาษสุภังะนี้หมดเพราะปรุงขึ้นเป็นภาพเท่า น, นั้นอ่ะมันจะดับทันทีดับทันทีเรวลงไปเหมือนแสงหงาย หิ้งห้อยแบบแบบเหมือนฟ้าแลบนั่นะนี่เวลาภาพมันปรากฏขึ้นจะพิจารณาเรื่องสุภาพสุภัพงไม่ฉันนี่ตอนนี้เรียกว่ามันหมดมันหมดอสุภาสุฟังไปแล้วมันก็เป็นแต่ภาพภายในจิตใจแต่เ้าตั้งภาพนี้ไปตลอดต่อไปภาพอันนี้ก็ดับเร็วเขาเรียกเขาสุดสุดท้ายก็ภาพอันนี้ไม่มีตั้งภาพลงไปดับสันตีทันติจิตใจมันก็ว่าง ทีนี้หมดสภาพแล้วเกีย่ยวกับเรื่องรูปเรื่องกายทั้งหลายหมดสภาพทุกสิ่งทุกอย่างหมดสภาพราคาตันหาก็หมดสภาพเนี่ยหมดลงในจุดนี้เองจากนั้นจิตก็เป็นอัตโนมัติหมุนตัวด้วยการฝึกซ้อมเรื่องตัวเองเรื่อยๆก็กลายเป็นนามธรรมาไปเรื่อยๆนี่แหละนักปฏิบัติผมอธิบายให้ฟังเพียงแค่นี้ให้จําให้ดีให้พิจารณาเรื่อง ร่างกายให้เป็นอสุภาษุฟังให้ช่าชองจิตจะมีความกล้าหาญชาญชัยรู้สึกอยู่ภายในตัวเองความกล้าหาญนี่เพราะจิตนี่ยมันตะกอดมันมันติดตัวเองเพราะว่าสวยงามก็มาติดตัวเองเสียก่อนจะไปติดภายนอกไม่สวยไม่งามก็ติดตัวเองเสียแล้วก็ไปจีตายนอกเมื่อแก้ตัวเองในภายนีนแล้วไม่ติดตัวเองแล้วภายนอกก็ไม่ติดสุภาษสุภาะไม่ติ นั่นเลี้ยวแก้ตัวเองผ่านอันนี้ไปได้ราคาตัญหาก็หมดปัญหาไปแล้ยวจิตหายกงหมดอันนี้แต่ฝึกตรามตัวให้แน่นหนามันคงมากขึ้นละเอียดลออมากขึ้นมากขึ้น น, นั่นี้จิตก็กลายเป็นจิตว่างเข้าไปว่างมันก็มีกระแสของจิตออกมาปรุงภาพกระดับไปพร้อมดับไปเพิ่มไล่เข้าไปไล่เข้าไปถึงอวิชชาปัจจะยานี่การปฏิบททัติธรรม เรื่องมากผลนิพานไม่เหนือเหนือไปจากที่พิจารณานี่แหละใครพิจนานรณาล่างกายเรื่องสุภาสุวังได้เป็นอย่างดีผู้นั้นจะตั้งรากตั้งฐานได้เร็วนะให้เอาให้ดีนะสะติเป็นสําคัญไม่ว่าจะพิจารณาสิ่งใดสติสําคัญดังนั้นเช่นอย่างว่าสุภาษสุวังอาุวะสุวัง ส, สติต้องติดแนบตลอดจนมีความ ช, นชนานีน้ชานาญมีการพิจนารณ์แล้วจากนั้นไปแล้วมัน มันจะเป็นอัตโนมัติของมัน <c oughs> เรื่องความภาคเปลี่ยนเพื่อละเพื่อถอนกิเลสนี่จะหมุนตัวเป็นเกลียวไปไม่มีใครบอกมันก็รู้เองในเบื้องต้นได้ถูได้ใสแต่ ก, ก่อนเอาให้หนักนะไม่หนักไม่ได้นักปฏิบัติเราเนี่ยมักผลนิพานอันนี้เราปิดเอาไว้ปิดมักผลนิพานไว้เปิดเจ้านี้ออกเปิดเจ้าออกมักผลนิพานจะใกล้คิดติดพันกันเข้ามาสุดท้ายนิพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่น เข้าใกล้คิดติดพันเพราะจิตใจมันหมุนติว้วต้วต่อความพ้นทุกข์นิพานอยู่ชั่วเยื่อมชั่วเยื่อมไปให้พากันพิจารณาอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพานอย่าไปคาดไปหมายนะพระพุทธเจ้าสอนลงในนี่นี่ทางแห่งมรรคผลนิพานทิ้งที่ปิดมรรคผลนิพานก็คืออันนี้เองเปิดอันนี้ออกมรรคผลนิพานเราจะรู้เองเนี่เองไม่ใช่ดินฟ้าอากาศเดือนการสถานที่เวลาเวลามาปิดมรรคผลนิพาน ตัวงเราเองเป็นผู้ปิดตัวเราเองไม่ให้เห็นอาจเห็นธรรมไม่เห็นความจริงคือสุภาษะสุภาะนี่จะมันปิดมากฝูนิพฝานอยู่เปิดนี่ออกไปนี่มันก็ปิดบางลงไปบางไปเช่นจีริยาของปิดเป็นนามธรรมาปิดบางเข้าไปบางเข้าไปสุดท้ายก็นิ่ฝานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นะพอเปิดนี่นหมดแล้วนิ่ฝานมีหรือไม่มีถามหาอะไรนั่นไม่ว่าองค์ใดพระเราผู้ปฏิบัติ คาวาะก็เหมือนกันเมื่อมันถึงขั้นที่ควรจะรู้รู้ได้โดยกันเพราะจิตนี่ไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงเพศชายนิสัยวาสนาบารมีที่สร้างมามากน้อยมีได้โดยกันทั้งหญิงทั้งชายควรหลุดพ้นหลุดพ้นได้ด้วยกันนั่นแนหละพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติเวลามันยังเป็นอย่างงาั้นความดีงามของเราก็ให้เป็นคู่เคียงกันไปการทํามูลให้ทานเป็นมีอริสง์มากนะ คนผู้มีการทำบุญให้จานไปที่ไหนไม่โอดจากกาดแคงไปไปไหนไม่โอดอืมเบิกกว้างไปตลอดเวลาเพื่อนฝูงก็มากอืหงิดใจของเราก็เบิกกว้างออกไปเกิดพบใดชาติใดไม่มีเ อ, อามาอัดอั้นตานใจด้วยความขาดแคงในสิ่งที่จะนำมาเสวยไม่มี น, นี่อำนาจแท่งทานนี่แหละเบิดเปิดเอาไปไปอยู่ในพบใดชาติใดก็มีแต่ อำนาจของฐานอำนาจของบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานให้เป็นเครื่องสวยเป็นที่อยู่ที่อาศัยสะดวกสบายไปต า, ตามกันหมดนี่เรื่องศีลเป็นความละเอียดอยู่กับตัวของเราเองให้รักษาให้ดีเรื่องภาวนา เ, เป็นเรื่องที่จะเปิดโลกธาตุออกให้หมดจากจิตใจให้หลุดพ้นจากทุกข์ดยประการทั้งปวงอยู่ที่นี่แหละพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างหาที่ ห้องใจไม่ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> การปฏิบัติจะพิสูจน์ทำของพระเจ้าหรือพิสูจน์ตรัวรพุทธเจ้าทั้งหลายให้พิสูจน์ขปฏิบัติของตัวเองให้ตรงแนวกับธรรมที่ว่าว่าส่วขาจะทำที่จัดไว้ชอบแล้วให้ก้าวเดินตามนี้นะอย่าให้ปีใครแวะนี่หลักคือก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นะอย่าไปหาก้าวตามเวลาเวลานั้นเวลานี้่ศาสนาล่วงไว้เท่านั้นเท่านี้นะให้กิเลสมันมาหลอกนะ กิเลสมันมีอยู่ในใจเราตั้งกับตั้งกันไม่เห็นเมื่อไหร่ว่ามันจะสิ้นจะสูดไปอืธรรมะทําไมสิ้นสุดไปได้แล้วหมดไปได้มากผลนิพพานแต่กิเลสมันเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดไปได้ไม่เห็นมันพูดนอกจากมันมารอต่อไปทําบุญให้ทานผลก็มีน้อยอย่างนั้นผลมีน้อยอย่างนี้แล้วมากผลนิพพานจะสิ้นสุดไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่มีมากผลนิพพานเลยนี่แหละกิเลสมันรอกคนคนจึงไม่สนใจทําบุญไม่ได้บุญ ทำบาปไม่ได้บาปกล้าหารทําบาปยิ่งขึ้นโดยลําดับทำการทาบุญแค่ไม่มีนั่นถ้าเรามีความเชื่อบุญเชื่อบาปไปแล้วทุกอย่างมีกําลังด้วยกันการทําบุญก็อยากทำเบื้องต้นมันก็ตันอีทีเดียวพอยังไม่เห็นเหตุเห็นผลพอทําไปค่อยปิดค่อยเบิกว่างออกไปเบิกว่างออกไปจนเป็นนิสัยของปิดกับทํากับทานเปน็นหนึ่งอเดียวกันแล้วไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้นะ มันเป็นอยู่ในจิตนั่นแหละวันหนึ่งไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้รู้สึกมันมันว้าวิอะไรภายอยู่ภายในใจของเรานั่นแหละนี่ถ้าเราได้ทำบุญให้ทานแล้วรู้สึกชุ่มเย็นชุ่มเย็นภายในใจนั่นการทำความดีทั้งหลายก็มันการจงกระทั่งภาวนาเวลาภาวนาไปเบื้องต้นมันก็ขี้เสียจขี้คร้านเพราะการภาวนาบังคับจิตการภาวนาเป็นสิ่งําการมากเราบังคับจิตเป็นภาระหนักมากนะ มันเคยคิดเคยปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายบังคับไม่ให้มันชิดนี่แหละที่ว่ามันเป็นความทุกข์มากเราบัางคับให้ได้เอา้ามันไปไหนวะตั้งลงไป น, นาฬิกาเอาเบื้องต้นเอามีข้อกําหนดกฎเกณมีข้อบังคับตนไว้ก่อนเอาภาวนาะวันนี้เอาให้ได้ห้านาทีเอาอย่างน้อยเอาแค่ห้านาทีก่อนจากนั้นไปก็สิบนาทีบังคับ ในขณะที่เราทำภาวนาไม่ยอมให้กิจมันส่งไปที่ไหนเลยบังคับในห้านาทีในสินาทีเอาบังคับไปในเขตที่บังคับอยู่นั่นแหละผลจะปรากฏเป็นความดีงามขึ้นมาเพราะสติควบคุมดีเรียกว่าสร้างทำขึ้นที่หัวใจด้วยสตินั่นทีนี้พอมันได้ผลตอนนี้ไม่ได้คำหนึ่งนะว่านั่งกีนาทีกี่ชั่วโมงไม่คํหนึงพอนั่งปั๊บลงไปนี้ทางาน จิตมันเพลิดเพลินกับบัตรกับทำต่อไปเลยไม่เลยมาสนใจกับเรื่องเวลาเน็ตเหนื่อยไม่ละแม้ที่สุดร่างกายนี่เมื่อจิตไม่มาพัวพันกับมันเป็นกังวลกับมันมันก็เหมือนไม่มีนั่งภาวนาภายในเบาไปหมดเบาไปหมดยิ่งจิตลงลจนกระทั่งร่างกายหายหมดเหลือแต่ความรูปที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดรดล้วนอยู่ภายในใจเท่านั้นมันยิ่งดูดเดิมไปเลยไม่ได้ภาวนาอยู่ไม่ได้นะ ถ้าลงขันน้นีได้ปลากฏผลเป็นแปลกประหลาดแลจันท์ภายในตัวอย่างนี้ผู้นั้นจะมีความก็หยิ่มยิ้มย่องและเสียดายอยู่ตลอดเวลาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเปลยนนั้นก็ต้องภาวนาที่นั่นมันหนักให้ขยันภาวนาเองนะอยากภาวนาเพื่อให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยไปนี่การฝึกสรมานตนทุกอย่างต้องดีต้องลิ้นกิเลสมันหนามันแน่นมันไม่ยอมให้ทําความดีงามกิเลสเป็นเครื่องผูก สัตว์โลกให้อยู่ในวัดตะวันกองทุกเต็มอยูเลยกับกิเลสไม่อยู่ในธรรมคือถึงปณิพานไม่มีความทุกข์ไม่มีมันมีอยู่กับแหล่งของกิเลสนี่แหละสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานเครื่องร่อของมันก็แก่งทุกอย่างทุกอย่างมันร่อเข้ามาร่อเข้ามาให้ตื่นเข้ามาเรื่อยตื่นเข้ามาเรื่อยยิ่งมาสมัยทุกวันนี้มีทุกอย่างที่โลกในเรื่องเครื่องร่อของกิเลสมีมาหมดนะ เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็เห็นมาเห็นมาเขาส่งเขามานั้นเราเราเราผลิตไม่เป็นก็เขาผลิตให้เอาเอามาเอามาก็มาหลอกตัวเองหลอกตัวเองเราเห็นไหมทุกวนันนี้มีเต็มดาดอื่นไปหมดเดินไปไหนเราดูที่จนลำคาตามองไปเห็นแต่โทรศัพท์กับหูเจาะกันอยู่ไม่ว่าหญิงว่าชาย ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยมองไปที่ไหนเห็นตัโทรศัพท์จ่อกันอยู่มันจะเป็นบ้าหน้ะพวกนี้ว่านั่นเห็นไหมเครื่องรอมันมีได้ยินได้ฟังเสียงกันและกันแล้วนี้ก็เพลินไปก็เพลินกับพี่เลศนั่นแหละเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาพระที่เป็นนักบวชจึงตัดขาดตะวันไปหมดสิ่งว่านี้เป็นเรื่องอารมณ์ของโลกทั้งนั้นเข้ามากวนธรรมะไม่ได้ เขามาเกี่ยวข้องกับพระไม่ได้เริ่มตั้งแต่หนังถือผิมพ์นั่นเป็นข่าวเป็นข่าวของโลกของสงสารของกิเลสตัณหาแล้วก็วิทยุก็เป็นเรื่องของโลกล้วนๆเป็นเรื่องกิเลสตัณหาที่เป็นภัยต่อขีจัยเยี่ยโทรศัพท์มือถือด้วยแล้วนี่ขาดสะบั้นไปเลยคอพระไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าลงโทรศัพท์มือถือแล้วเข้ามาติดบัานแล้วคนนั่นเขียนใบาตายให้เลยนั่น เพราะฉะนั้นวัดป่าวันตาร น, นี้จึงมีไม่ได้โดยสานที่อารมณ์เราให้มีเครื่องเดียวสําหรับผู้รับเป็นศูนย์กลางมันเกี่ยวกับวัดกับธรรมเกี่ยวกับประชาชนให้ผู้นั้นเป็นผู้รับเกี่ยวข้องกับวัดกับธรรมแต่นั้นแต่ผู้อื่นผู้ใดจะมีไม่ได้นะเราบอกกองๆมีต้องไล่หนีจากวัดทําไม่ได้ให้รีบเอาหนีเดี๋ยวนี้ไม่ให้รอนะอันนี้แล้วนี้ถ้าว่าเผลอตัวไปหามาถ้ารู้ตัวไปหามามาไล่หนีทันทีเลย เอามาด้วยความรู้ตัวฝาฝืนนี่เรียกว่าเป็นคนหน้าด้านพระหน้าด้านในวัดนี้จะมีไม่ได้เลยนะนี่แหะเป็นเครื่องภัยของพระเป็นภัยของธรรมเรื่องภัยของธรรมเป็นอย่างนี้เฉพาะพระเราเหล่านี่เป็นภัยทั้งนั้นตั้งแต่หนังตือพิมพ์ข่าวของโลกตั้งแต่ผู้ทีเจ้าสแสดงพระอวาาท่านสอนให้อยู่ที่ไหนท่านสอนให้เข้าป่าเข้าเข า, เ, ขาเพื่อให้ใ ห, ห่างไกลจาก อารมณ์ของโลกเขาคราวของโลกนั่นแหละยึงลุกขมูลเส้นนาสนางังบรรพชาสมบูรแล้วท่านตั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลล้มไม้ในป่าในเขาหรือตามถ้ำเ ง, งิมผาป่าชา้าป่าโรกสถานที่แจ้งรองปางอำนวยความสะดวที่สะดวกแก่การบําเพ็ญสมณธรรมและให้ท่านตั้งหลายอยู่และบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่อนุศาสตร์ที่สอนไวน้นี่เป็นธรรมจําจเป็นมาก ท่านให้ปราจายเมื่อไหร่พระทุกองค์ได้ยินได้ฟังจากโอวาทข้อนี้ด้วยกันนอกจากมันหน้าด้านเท่านั้นเห็นเห็นป่าเป็นเห็นบ้านเป็นป่าไปใช่ไหมป่านรกป่าเวกีพระที่หน้าด้านเห็นเห็นบ้านเป็นเป็นป่าเป็นเขาว่าเป็นที่สนุกเลื่นลึงวันเถิงเห็นป่าเห็นเขาเป็นนรกอเวจีไปเสียท่านล่ะนี่แหละกิจกิเลสมันกลับตาปัดอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเราจต้องได้ระวังสิ่งเหล่านี้เป็นภยัยผู้มุ่งต่อมาโขนิพานเหล่านี้ตัดขาดสะบั้นเลยไม่ให้มาเกี่ยวข้องนะตั้งแต่นังซือพิมพ์เป็นข่าวเป็นข่าวของโลกทั้งนั้นวิทยุเหมือนกันอืจากนั้นก็มาโทรทัศน์วิดีโอเหมือนกันหมดจกนกระทั่งถึงมาโทรศัพท์มือถือนี่เครื่องประหารอันใหญ่หลวงเพชรกาดอันใหญ่หลวงทําเอาพระให้คอขาดสะบั้นไปได้เลยไม่สงสัยนี้ไม่ให้เว สำหรับวันนี้มีไม่ได้บอกโกงๆนะถ้าใครหน้าด้านก็ให้มีมามีมาเขาจะได้ถูกขับจากวัดนี้ทันทีเราไม่มีอุสธร์นะลงได้สั่งสอนแล้วสิ่งวันนี้ไม่ใช่เป็นของละเอียดเขาะจะไม่รู้มันรู้ได้อยู่กันทุกคนหามากก็แสดงว่าเป็นความหน้าด้านที่สุดไม่ควรจะอยู่ในวันนี้กับพระผู้มีฮีโุอุตะปะอยู่ด้วยกันไม่ได้ขับไล่นี้เลยนี่สิ่งที่เป็นภัยเวลานี้มัน เข้ามาทุ่งแง่ทุ่งมุมเรื่องของกิเลสหลอกลวงโลกหลอกลวงทำหลอกลวงพระเราเนะนี่ยนะี่แหละเลยพระเลยกลายเป็นเป็นมูดเป็นคูดวัดก็เลยกลายเป็นช่วมเป็นฐานบรรจุมูดคูดคือพระเนที่ปฏิวัติเหลวแหลกแยงแน ว, ว, วไปเสียหมดอืม่วนทำอะไรแท้ทำไม่ได้ยุ่งอะไรเช่นอย่างว่าด้ดานวัตถุพระพุทธศาสนาท่านท่านไม่ได้ชมเชยในการก่อสร้างนะท่านให้สอนสอนในการก่อสร้างจิตใจ สร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างมรรคผลนิพพานด้วยจิตตะภาวนาด้วนขึ้นไปเรื่องการก่อนนั้นสร้างนี้ให้อยู่แต่พอจาเป็นเท่านั้นไม่ใช่จะให้แบบหรูหราอย่างทุวันนี่ไปรูที่วันไหนก็ดีแดนสวรรค์หอพระศาเดานสวรรค์ยังสู้ไม่ได้นะเอาเจะไปแข่งแดนสวรรค์นี่มันแดานนาโลกของพระไปทำอย่างนั้น นี่แหละไอ้พากันจำเอาอนี่สอนเน้นหนักตลอดเรื่องการก่อการสร้างเป็นค่าสื่อกับธรรมล้วคิดดูตั้งแต่เราไปอยู่ในสถานที่ภาวนาต่างๆนะไปยังไม่ได้มีที่พักนี่มีแค่เท่านั้นเราไม่ได้มากอะไรเลยแค่อืเป็นร้านเล็กๆเอาญ้ามามุงเมื่อหน้าฝนมาแล้วก็ต้องมีญ้ามงถ้าธรรมดายังไม่มีฝนเราจะอยู่โคนต้นไม้มีแต่กรดก็ได้ เวลาถึงหน้าฝนมาก็ต้องมีที่บุงที่บางเป็นธรรมดาแต่เป็นแค่เล็กๆแลไม่ได้สร้างรู้หลาฟู่ฟ้าอะไรที่รู้หลาที่สุดคือใจยิตาภาวนาให้มีทมอยู่ภายในใจตลอดตั้งแต่สมาธิขึ้นไปสมาธากคือความสงบใจสมาธิแล้วว่าปัญญาปัญญาหลายขั้นฟาจงกระตั้งสีมูตหลุดพ้นด้วยการอยู่ในกระตอบอยู่ในที่ ไม่รู้หลาด้วยวัตถุนั่นแหะแต่รู้หลาด้านธรรมะถามธรรมะขึ้นมาแงไหนตอบได้ผางผางเลยอด้านวัตถุนั้นถามใครว่าธรรมะเป็นยังไงมันไม่รู้นะอืันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีเรื่อยๆมาเพราะงั้นจึงให้พากันปฏิบัติให้ดีนะหากเราไม่สมควรอย่างยิ่งกับสิ่งก่อสร้างทั้งหลายหากปฏิบัติเราเอาให้ดีนี่แหละเป็นแบบแผน แบบฉบับของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างนี้ท่านไม่ได้ส่งเสริมนะว่าการก่อการสร้างหรูหราฟุฟา่มเฟือเป็นโบสถ์เป็นวิหารสาราลงธรรมใหญ่หญโ ต, โ ต, โตไม่มีในกำปีครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงชมเชยแต่ไหนแต่ไรมาเวลาพระออกจะออกวิ่จ อ, อกเที่ยวจู่จงท่านยังสอนคาว่าก่อสร้างก็จะก่อสร้างบ้างเล็กน้อยไม่มากแต่มันมีใจว่างไงเพราะจะพระจะ ออกเที่ยวทูดวงกรบสถานพระองค์ทรงแนะนําเวลาออกเที่ยวให้ระมัดระวังสถานที่ใดไม่สงบอย่าไปกันว่าเช่นอย่างวัดที่สร้างสร้างใหม่มีการก่อสร้างอยู่ว้างนี่เป็นความกังวลกันว่างันอย่าไปอยู่และก็อยู่อย่าไปอยู่สถานที่ที่ชุมนชนเช่นท่าน้ําขนขึ้นลงแม้ที่ตุดต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผล พวกสัตว์พวกแง่พวกตามันมาหากกินของมันมันจะเป็นการรบกวนหาความสงบไม่ได้นั่นท่านแนะไม่หมดมให้ไปอยู่ให้ไปอยู่สถานที่ที่สงัดสงัดนั่นน่ะขัง้งกุติการท่านสอนไว้อย่างนี้คำพีมีเนี่ยเราพูดด้วยคัมภีมาจากคมภีมาสอนท่านไม่ทรงไม่มีการสมเชยที่ว่าสร้างนั่นสร้างนี้ไม่มีอืมิจะให้สร้างจิตใจโดยฉชยเดียว เวลาพระสงฆ์เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งถามไปยังไงอยู่ที่นั่นป่านั้นเขาลุงนั้นไปยังไงการภาวนานั่นท่านมาได้ถามว่าอยู่ที่นั่นไปยังไงสาราถึงไหนแล้วหอประสาทบ้านมันถึงไหนแล้วโบสถ์หลังหใหญ่ใหญ่ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเรื่อนี้ไม่มีความจําเป็นในค ร, รั้งพุทธกาลโบสถ์ลงอุโบสถลงที่ไหนก็ได้หลักพื้นในก็มีจําเป็นอะไรจะต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหาร กลายเป็บกวนประชาชนไปเขียนนี่กลายเป็นศาสนาขวนบ้านขวนเมืองไปไม่ใช่ศาสนาควนกิเลสตีกิเลสให้ขาดสะบั้นจากใจ น, นะเป็นศาสนาขวนขวนหัวใจตัวเองแล้วก็ขวนว้านกวนเมืองให้ยุ่งเหยิงไปหมดมีมีก็อยู่ไม่ได้ถู ด, ดท่าโยมกับพระเห็นหน้ากันไม่อยากดูกันค้าพเจาเห็นหน้าล่ะไหนโยมเวลานี้สงสารลิโบุตรธรรมยังไม่เสร็จ อาแนะั้นไหนโยมก็คือจะพร อ, อตั บ, บของมากินอ้วนว่านกวนมาอ้วนญาติกวนโยมไม่สมควรจะพระเราวินทัตทเขามาได้กินวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วแต่การบําเพ็ญสมรธรรมหรือทำรรทั้งหลายเพื่อความสงบใจจงกระชั้งรู้แจ้งเห็นจริงไม่ลดละมีการส่งเสริมอยู่ต่อเวลานี่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้บํารุงธรรมเพื่อมรดกนิพพานจริงผู้นี้แหลจะเป็น เจ้าของสมบัติคือมรรผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยขอให้เดินตามทางของศาสนาเถอะอันนี้มันไม่ได้เดินนะเดนเนียศาสนามีนิดนิด น, ดนดหน่อยแตเดี๋ยวนี้มีนเปนเรื่องของกิเลสตัณหามันครอบวัดครอบวาครอบพระคระอบเนนไปหมดมันไม่ไม่ได้มีศาสน า, านั้นเ่นเนียมีแต่หัวร้อนไปที่ไหนหัวร้อนประดับตนด้วยสมณะศักดิ์เป็นเป็นอะไรอัตมาเป็นสมุ บารีกาออกมาจากโบสถ์จากวิหารก็พ่าบทใหม่ๆแล้วก็ตั้งสมุบารีกาให้กันสมุบารีกาแล้วประหลัดแล้วพระครูพระคันจากนั้นก็เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนขึ้นไปสมเด็จยิ่งเป็นบ้าใหญ่โตเลยนี่แหละเรื่องของโลกมันเป็นอยู่ในหัวใจพระให้พระเป็นบ้าอยู่เวลานี้พ่อขี้เหล็กเข้าไปตีหัวใจพระจนลืมอัดลืมทำพูดเรื่องทำไม่อยากฟัง ทำเลยกลายเป็นของเสนียดจินใจเป็นของเห็ดขวางไปหมดนะแต่กิเลสเป็นของร่องไปหมดลื่นไปหมดในะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะ่ะกิเลสมันกําลังร่องลื่นไปหมดในวัดในวานในพระไม่นเนียนมีแต่เป็นทางเดินของกิเลสลื่นไปหมดเรื่องอัดเรื่องทำที่จะลื่นหัวใจไม่มีนะมันเป็นอย่างนั้นเวลานี้นะนี่พูดให้ท่านฟังท่งานไหยฟังเดีย๋ยนี่ก็เรียนมาเหมือนกันคมพีไหนก็เรียนเต็มกําลังความสามารถไม่เพียงแต่เรียนเป็นชั้นมหาณ์นะอืม วันใกลยพี่ดกโขนแหลกเหมื อ, อนกันเพราะฉะนั้นจึงได้นําคําพูดนี้มาพูดด้วยคำอาธานชานใยจากสําหรับตําลาไม่โชกทานเพราะเป็นมาอย่างนั้นจริงๆอ่านมาอย่างนั้นรู้ม า, างนันพูดตามนั้นนี่ลักความจริงไปอย่างนี้ในทั้งพุธการท่านจึงทรงมากทรงผลที่มีแต่มากแต่ผลองค์ไหนเจอเข้าไปองนี้เป็นโสดาวนี้สออกีตาวนั่น อ, นอนาณ า, า, าคารนี้อารหัน องนั้นเป็นกันญาณของภิกษุผู้มีความสวยงามด้วยศีลด้วยธรรมแม้จะไม่สําเร็จมรรคผลนิพพานก็แต่กํากกลังก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยธรรมอันดีงามนั่นเห็นกันพูดแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมชำละกิเลสซึ่งเป็นความสกรปรกเป็นพื้นเป็นไฟเป็นภัยต่อหวัวใจท่านพูดตั้งแต่เรื่องชําระสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้พูดทรงเสริมสิ่งเหล่านี้เลยและส่งเสริมต่างทางต่างอัตธรรม เป็นยังไงนั่นอยู่ในเขาลุงนั้นป่านั้นภาวนาเป็นยังไงนั่นท่านถามเรื่องภาวนานะบรรดาพระเจ้าพระสงค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่รับสั่งตั้งแต่เรื่องภาวนาเป็นยังไงอยู่ที่นั่การภาวนาเป็นยังไงนั่นมันก็งอามนะกับทุกวันนี้ไม่ตั้งแต่ด้านวัตถุเต็มว่าเต็มว่าเ ต, ต็มพระเต็มเนนไม่ได้มีนามธรรมาคือการปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีพระดีนะมันมีแต่เรื่องเครื่องประดับ อันเป็นเรื่องของกิเลสมากลายเป็นเครื่องประดับของพระมกลายเป็นยอดฐามนมรรศักไปหมดเลวไปโดยลำดับเวลานี้นี่แหละไอ้ท่านทั้งหลายจำเอาทุกคนพระเราอย่าไปยุ่งกับสิ่งภายนอกไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมกว่าอัจกว่าธรรมไม่มีอะไรยิ่จเลิศยิ่งกว่ามรรคผนิพพานคําว่าธรรมนี่คือโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกอยู่แล้วไม่ว่าธรรมขั้นใดเหนือโลกทั้งนั้นทั้งนั้นไม่มีคําว่าธรรมต่ํากว่าโลกนะ เราจะเอาโลคกิเลสตัณหาเนี่ยไปเหยียบย่ําทํำลายทําให้จมยัเหลือตั้งแต่มูดแต่คู่เต็มหัวใจพระเต็มหัวใจประชาชนอย่างนี้ดูไม่ได้เราเป็นชาวพูดให้ยึดหลักของพระพุทธเจ้าไว้ให้ดีลูกภาษาโคตเป็นลูกชาวพูธต้องปฏิบัติตัวให้สมสักดสมศีของเจ้าของให้ได้ครองมรรคผลนิพพานถ้าบวชมาก็เป็นแนวหน้าแล้วในการรบกับกิเลสตัณหาประเภทต่างๆเอาให้ยิงให้จัง ว่าทำไมที่เดิมมันหงายลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วจ้าขึ้นมาไม่ถามหาพระนิพพานถามหาอะไรจ้าอยู่ด้วยกันไม่ถามหาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนดูหัวใจนี่ครอบสร้างถึงกันหมดเลยเหมือนน้ำไหลลงมาสู่มหาสมุทรมหาสมุทกว้างขนาดไหนแม่น้ำสายต่างๆเวลา ย, ยังไม่มดไหล ย, ยังไม่มาถึง มหาสมุทรก็เรยกแม่น้ำนั่นแม่น้ำนี่เช่นแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจาพยาเป็นตน้นนี่พอเข้าถึงมหาสมุทรแล้วหมดแม่น้าชื่อนั้นชื่อนี้ไม่มีเป็นแม่น้ำมหาสมุทรสเสมอกันหมดเลยนี่ชั้นใดก็เหมือนกันขอจิตใจของเราเนี่จะเป็นบรรดุชนคนหนาปัญญาหยาบเมื่อโอโศกจิตใจของเราห้ดี น, นี่ก็เหมือนกับว่าไหลเข้าไปสู่ มหาวิมุตต์มหานิพานนี่เทียบกับมหาสมุทรทะเลหลวงลนั่นแหละนี่ก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปเมื่อเข้าถึงขี้แล้วจ้าเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าพระสาวกถ้ามาถามถึงกันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนี่น้ำํำนู่นไหลเข้าไปสู่มหาสมุทรแล้วเป็นน้ําสมุทรด้วยกันทำนี้เมื่อเข้าถึงใจถึงวิมุตต์หยุดพ้นแล้วเหมือนกันหมดนาทีเซโ ย, ยปาปิโยไม่มีความยิ่งย o อน ต่างกันแต่อย่างใดตั้งแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเสมอกันหมดนี่เที่ยวกับแว่น้ามหาบิมตดมหานิพานเป็นอย่างนี้ท่านมีการสถานทีเ่เวลาที่ไหนการประพฤติ ธ, ธรรมการทรงธรรมจากการปฏิบัติของตนไม่มีการเวลาเวลาน า, นาทีอะไรที่จะมากีดขวางทําลายได้ถ้าเจ้าของไม่ทําลายตัวเองเสียอย่างเดียวถ้าเจ้าของทําลายตัวเองนี่มันใกล้มากนะเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวขี้ข้านอ่อนแอ ซอแฉะนี้มีแต่อุปสรรคกีดขวางหัวใจตัวเองให้บ่มเป็นไม่สะดวกถึงขอให้ทุ ก, ท, กทุกท่านพนะิจารณาทุกคนทุกคนนะอการปฏิบัติธรรมถ้าลงปฏิบัติตามสวาคาตธรรมนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นอทำทั้งหมดนี่ชี้เขา้าถูกมักฝ น, นิพานทั้งนั้นขอให้ปฏิบัติตามนี้เถอะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาปลอมศาสนาแท้จริงทีเดียวธรรมก็เป็นส่วนคารธรรมจัดไม่ชอบแล้วทุกแ ง, ง่ทรง ม, มุม ไปเป็นความดีงามทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าปฏิบัติตามทำไมปัจจุบันเอาไปตามกิเลสแล้วมันแกลลั่นเลีเ้ยกันอยู่อย่างนี้อย่างที่เราเห็นนี่แหละอันนี้เป็นคู่ฆ่าศุกสัตว์กันมาตั้งแต่การไหนไห น, นกิเลสกับธรรมเป็นคู่เสี่ยงกันมาๆๆๆเราผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดก็ฟีดตัวออกปฏิบัติธรรมแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ผู้ที่หลงทำอุนวิยาของกิเลสก็ติดไปพันไปเรื่อยๆ อะไรก็ดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยลืมศีลลืมทำตายแล้วมีแต่กระดูกหนังหอกระดูกพถ้ากฝังก็ฝังไม่ฝังก็เน่าเฟะอยู่นั่นเองมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกระดูกเนื้อหนังของเรามันมีประโยชน์อยู่ที่จิตใจกับอัดกับทำถ้าใจดีแล้วนั่นแหละเลิศเลยอยู่ที่ตรงนั้นถ้าใจชั่วแล้วก็ยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆพอเราหลมหายใจดับแล้วนี่ ถึงลงเลยแดนนรกใครเป็นคนแสดงไว้วันนรกสวรรค์พมาโลกเปรตผีเนี่ยชาติราองค์เอกทั้งนั้นสอนไว้แบบเดียวกันไม่มีศาตนราองค์ใดมาขัดแย้งกันว่าศาตราองค์นี้สอนอย่างนี้ศาตนราองนั้นสอนอย่างนั้นมาคัดค้านกันอย่างนี้ไม่ไหมว่าบาปมีมบุญมีแบบเดียวกันหมดนรกมีแบบเดียวกันสวรรค์มีพม่าโลกมีนิพพานมี แบบเดียวกันพราะท่านรู้ต่เห็นแบบเดียวกันท่านจะมาถูกมาเถียงกันหาอะไรนี่แหละไอ้พวกเราที่ไม่เห็นนั่นที่มันมันอวดดีอวดนีลูปไปหมดลบไปหมดว่าไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีอะไรที่มีก็มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานอยากทําอะไรก็เอาตามต้องการต้องการนี่คือกิเลสด้วนๆ น, นี่แหละตัวตัวมันมีตัวมันจะพาจมเห็นพาการจำมนะลงไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ผู้ฉลาดแหลมคมสุดยอดแล้วเราจะเชื่อไปเชื่อขี้เล็ดก็เชื่อมานานแล้วแล้วใครได้รับความวิเศษวิโสว่าคนนี้เชื่อขี้เลสปฏิบัติตามขิเล็ดเต็มเม็ดเต็ ม, ม, ตตมน่วยได้มากได้ผลขึ้ น, นมาอวดพระพฤติเจ้ามีที่ไหนมีแต่ความจมความจมทั้งนั้นนะใครดีดใครดิ้นกับเรื่องของขิ้เลสตัณหาเท่าไหรยิ่งดีดยิ่งดิ้น ย, ยิ่งจมลงไปจมลงไปถ้าใครดีดดิ้นออกไปจากขิ้เล็ดเพื่อประพฤติปฏิบัติตธรรม แบบว่าของตัวเองออกไปเรื่อยๆผู้นั้นจะสูงขึ้นเลยพ้นไปเลยจุดท้ายถึงนิพพานได้ด้วยกันเพราะวั้นนีงขอทุกๆ ท, ท่านนําไปปฏิบตัติถ้าเราง <c oughs> ปฏิบัติให้ดีนะ <c oughs> การอยู่ในการเมืองอวัยวะเดียวกันอย่าให้มีข้อขัดแยงด้งใดๆเกิดขึ้น <c oughs> เป็นเรื่องหยาบคายที่สุดอืทางไหนก็ดีมาปฏิบัติทำอย่าเอาเรื่องขัดเรื่องแยง้งเรื่องทะเละเบาแย้งอันเป็นเรื่องชีเลตเรื่องปืนเรื่องไฟเข้ามาเผากันไม่ไม่ถูกทางของศาสดา มันถูกทางของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วการแสดงนี่ก็เห็นว่าสมควรแจกท่าแจกขนแจกเวลาเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยชั่วกันเทินเ <c oughs> หนื่อยเหนื่อยแล้วพูดไปพูดมาคนหน่อยเอาการาฟแล้วเลิกกันไปแล้วพูดมาเนะี่ยคนนี่ก็ลุนะ่มเนีปฏิบัติไอ้นี่นะเทปมันสะดวกมันมีทั้งคณรวานยังยูเทศไม่เต็มเม็รเต็มหน่อย อืมบาเออ